รัตการคพบริสัทธหลาย <c oughs> ตั้งใจฟังคำแนะนำสิบนล็กน้อยในขณะที่ฟังอยู่พยายามใช้หูฟังเสียงและก็แท่ลมสิตคิดตามไปด้วยถ้าหูฟังเสียงรู้ถ้อยคำการพูดทุกคำอย่างนี้คิดว่าในขณะนี้ก็ใช่เป็นสมาธิ เพราะคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจไว้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะในขณะที่ท่านฟังตั้งตั้งใจฟังเสียงและรู้เรื่องในการพูดถือว่าจิตสมาธิในแต่ขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อท่านฟังรู้เรื่องแล้วก็คิดตามไปด้วยอย่างนี้แต่ลงคุกคศนาอย่าง เพราะนั้นในขณะที่ฟรงนี้ด้วยใช้ไปด้วยทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งวิปัสสนาตอนนี้ไปเราขอแนะ น, นำการปฏิบัติวิธีปฏิบัติแบบนี้เราเรียกว่าปฏิบัติ6กว่าพิญญาบพิชาสามจะพ่อพิญญานั้วมีหกแต่ว่าในที่นี้นำมาใช้อย่างเดียว คือเฉพาะมโนมิจฉิ์ซึ่งแปลว่ามีริษฐางใจแต่หน้าจินาตนนี้จึงไม่มีริษทางกายไม่สามารถจะห่อเหินเดินในอากาศได้ไม่สามารถจะมิตรได้แต่ก็มีความสามารถพิเศษที่จะสามารถจะยกติดเตืออธิศมาในกายคําว่าอทิศมาในกายก็เคือกายของเราจริงๆที่เป็นนามธรรม ที่เราไม่รู้ตัวความจริงคํค า, าว่าเรานี่ถ้าไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังคําว่าเรานี่หมายถึงจิตแต่จิตตัวงนี้นความจริงไม่เป็นดวงแต่เป็นรูปราาาา่างหน้าตามาีแขนขามอนกับเราเราตามพมานีจึงเรียกว่าทิสมาลกายหมายถึงว่ากายที่เราไม่สามารถเห็นได้ในตาเปล่าแอสําหรับนักนวมิตรนี่สามารถจะยกขึินมาในกาย ไปท่องเที่ยวในภพต่างๆได้จึงเรียกว่าปีญญาสําหรับต้านวิชาสามนั้นเราก็ฝึกขั้วกันไปวิชาสามโดเฉพาะสองนนสใ น, ใ น, นงวิชาสามในแกนหนึ่งที่จิตปีญญาสองปุตติวารสารุตจิตญาณเมื่อที่จิตปีญญาไหมายถึงเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเทวดาเห็นสมเห็นเครื่องกระกกายได้ทุกอยา่าง อุเบกนิวายานุสียานสามารถรักษาได้ทุกชาติตามที่เราต้องการดันั้นสองในชาสามนี่ที่ยก็อกไปจะเป็นแปดเกือบหนึ่งที่เป็นกุยายสามารถจะเห็นสีเห็นเจ้าบรรดาเห็นสมเห็นที่กับเทาเห็นขอนี่ปกปิดไปแล้วดีรักได้หลวงจุตูปปารติยานสามารถจะรู้ว่าคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมด เดีวีไหนก็ตามคนก็ดีใส่ก็ดีก่อนที่มาเกิดนี่มาจากไหนถ้าเขาตายทำไปเวลาไหนก็ตามเราอยากจะรู้เรารู้ได้ว่าเวลานี้คนตายแล้วไปอยู่ที่ไห น, แ ล, รรนามมาแล้วก็มีจุโตูมาปาฏิยานสามารถแล้วเขาโทษไปที่จุโตูรปาฏิยานนยะ ขึ้นมาต่อมาก็เป็นปุเทนิวาสานุสติญาณสามารถรลือกชาติต่างได้ตามการลงการแล้วสี่เจโตบริยญาณสามารถจะรู้ว่าระน้ำติดของคนอื่นและสัตว์อนได้ว่าคนประเภทนี้แลอวบุคคลคนนี้มีกําลังใจเป็นยังไงมีกิเลสมากหรือมีกิเลสน้อยหีประกอบไปด้วยความมีหางสีและมีความเพียรโกตรอย่างนี้เช่นกัน และก็ต่อไปก็มีอ่ามีอนาคตทางสัญญาณอนาคตทางสัญญาณไม่รู้เห er ุการณ์ในอนาคตสะวป็นขนาได้ดอดีตทางสัญญาณรู้เหตุการณ์ในอดีตแล้วแล้วมาได้ปัจจุบันทางสัญญาณรู้เหตุการณในปัจจุบันว่าคนที่ตายไปไหนคนดีที่อยู่คนดีถ้ามีความทุกข์มีความสุขเป็นยังไงอยู่ไนเป็นต้น แล้วก็ต่อไปยกษาขโมตายานสา ม, มารถจะรู้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมานี่ที่มีความสุขความทุกขส์สายกรรมอนแยดีอะไรเป็นปัจจัยนี่เป็นว่าคนที่เราปฏิบัติันี้นี่คนที่คุณได้จริงๆกว้างขวาง ม, ม, มากแต่การเรียนได้จริงๆแบบนี้เ็ขาะมันดาท่านพุทธบริษัท เรื่องเจ้าประการปฏิบัติกรมรมฐานมีสี่อย่างคือย่าเป็นสุขาราติโกหนึ่งเซวิโกหนึ่งเซลากิโยหนึ่งปฏิสัมพิทัพปโตูหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้มีผลเข้าถึงพระ涅槃เหมือนกันแต่ทว่ามีพุทธรรมวิเศษต่างกันแม้พุทธรรมวิเศษจะขออดไว้เป็นอันว่ายทำนันหลายเพือเข้าใจว่าปฏิบัติไปกรมรมฐานทั้งสี่แบบ สิ่งที่มีความสำคัญมากในกราคือศีลทุกท่านจะต้องมีศีลบริสุทธิ์ทั้งพระจั้งในเคราะห์ไหว้สมัยกันหมดบางทีพระก็จะมีความท่านนองตนว่าตนมีศีลสองรี่นั้นท่านในทิจารณนนาดูศี5ล5้าเรียว่าศีลแปดจะศีล10บก็ ส, ส, สมนัน พระองไหนยังบกกรงในสิน5้าและสินกว่าและสินสิบก็สมณะสินสองร้อยี่สิบ็ดมันก็ไม่มีเลยเพื่อสำหรับครือวัดอันดับต้นเขาต้องมีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าสินห้านี่ยตงได้ถึงว่าโสดาบาันกติธาทารี แต่ถ้าอรมจิตเขถึงอนาคามีจิตก็แยกษาสิ่งแปดตรงตัวเป็นมาเองเพราะว่าสิ่งแปดเป็นสิงเขาเรียกอนาคามีแล้วสิ่งขาเรียกอรหันตกับบัคระวาสแยกวาเป็นสิ่งของมันอย่างนั้นเขามันดาท่านพุทธมริตาทุกท่านจงพิจารณาจิตของนเองว่าสิ่ของท่านบริสุทธิ์ไหมถ้าศิลไม่บริสุทธิ์การปฏิบัติมันก็ไม่มีผล ถ้าสินไม่สุดการปฏิบัติจริงจะมีผลนึกคุนต่อ ห, หลังว่าสินห้าเราบกข้องอะไรบ้างสําหรับที่พันยังไม่ถึงพระอนาคามีถ้าสินห้ายังบกเข้าวันนี้ไม่มีผลหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าท่านหลายจะตัดสินใจว่าการบกข้อของศีนนั่นเปนเรื่องของอันดี แต่ว่าปัจจุบันนี้เราจะรู้ควมกำลังใจจะตั้งใจรักษาสิ้นให้บริสุทธิ์ไม่ละเมิดสิ้นด้วยเจตนาจะลืมว่าสี้นี้จะขาดขเ่ราการเจตนาืจะตั้งใจ ท, ทําเพื่อสำคัญถ้าไม่มีเจตนาสิ้ก็ไม่ขาดรัดสินใจแล้วตั้งแต่เวลานี้ว่านับตังแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ตรงสิ้บริสุทธิ์ ถ้าตัดสินใจได้จริงแบบนี้ก็อาจจะไปได้บ้างถึงขั้นพระจุลามณีก็ดีพอแล้วแต่ความจริงที่นีรต้อฝึกกันถึงพระจานเนี่ยถ้าถึงพระจุลามณีเราคิดว่าต่ำ ม, มากเรคิดวาดาตาจิงการ ม, มาว่าจอสวัวนี้ถ้าถึงข้นพอมเราคิดว่ามีอารมณ์ไปกลางถ้าทำจิตนิพพานได้ก็ถือว่ามีอารมณ์สูงสุด คำว่าอรมณ์สูงขึ้นจะหมายความว่าจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่จะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของท่านอันนี้เรื่องศีลอันดับแรกศาสตรศีลใจคือว่าวันนี้เป็นบระทับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้สรงศิลให้บริสุทธิ์และในการต่อไปเราก็จะส่งสมาธิให้ต่างมันคำว่าสมาธิในที่นี้ ก็ขอให้ต uh, ั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจอ่อนนึกว่าภาถะหรือว่าเวลาให้ใจเข้าอย่านกว่านามะภาถะให้ใจออกนึกว่านามะภาถะอย่างนี้ก็ได้ให้ใจเข้านึกว่านะให้ใจออกนึกว่ามะให้ใจเข้านอกว่พระใา้ใจออกนึกว่าชาอย่างนี้ก็ได้ เป็นอั น, ว, อนว่าให้คำภาวนาวะนมะพรทาวท่านจะภาวนาพวกหนึงคำสองคำสามคำสี่คำอะไรก็ตามใจกันเป็นอันว่าอย่าให้มันฝืนกับความอารมณ์ขอเราเองกับทางกายถ้ามันฝืนจะเกิดอาการอึดอัดความไม่สบายกายไม่สบายใจยใ จ, จะเกิดขึ้น นี่การภาวนากระหนดรู้ลงไมใ่ใจก็ออกกับภาวนาให้ทำสบายสบายแต่ถ้าที่ทดลองทำมาว่าใจเข้าและัญญามักจะไปใจไม่จะฝากว่าให้ใจออกเป็นาภาถ้ให้รู้อยู่อย่างนี้ถ้าขณะใดที่เราใม้เรารู้ลงไมใ่ใจเข้าลงไมใ่ใจออกแล้วก็รู้คำภาวนาขณะนั้นที่วาจิตตุท่านเป็นสมาธิ เรื่อสมาธิมีความสำคัญเป็นพื้นฐานใหญ่ถ้าสมาธิไม่ตรงตัวสีนอย็ตามเราก็ไม่สามารถจะไปแม้แต่การข้ามาวาจรสวรรค์เรืนะ่อแลี้เการต่อไปก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดให้ตัดสินใจในด้านวิปัสสนาญาณการปฏิบัติแบบนี้จะต้องมีอารมณ์ครอบคลุมท้ทาสีนสมาธิปัญญา ธรรมะสมาธิก็ได้แต่อะไรวะติดสมาธรรมะสมาธิก็ได้แต่การสร้างใจรู้ลมหยใจเข้าหด้ออกภาวนาเนี่ยตอนนี้มาปัญาปญาปัญญาเขาใช่ยังไงเราก็ต้องหวนไปดูท่านผู้ปฏิบัติที่ได้สอนนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสินวร์นตรมาจตุนดาธรรมะสัพพิตา ท่านทดลองที่ทจอปฏิบัติในการใส่หวหาโมกธรรมมาทั้งหกปีไว้สำเร็จผลในวันคลานเดืนอน6กองค์สมเด็จพระทุกข์คนทรงตัดสินใจว่าวันนี้เราจะปฏิบัติใจเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อเสนอก็เราจะเหื่อ่างไปกว่าตามปีหรือว่าชีวิตสิทีจะจักใจ เราก็พร้อมยอมที่จะตายถ้าไม่ได้บรรลุอริสติสมาสติญาณอันนี้เราต้องตั้งใจที่ว่าพระพุทธเจ้าไปองค์ที่บรรลุก่อนต้องมีน้ำพระทัยแบบไหนเราก็ต้องทำแบบนั้นการที่ทิดอย่างนั้นองค์สมฤฤฤเด็จพระสุนวรภรณ์ทรงใส่ขันห้าคือการจจเจริญ น, น, นิพพฒานาญาณมีความสาคัญอยู่ข้อเดียว คือวางขันท่าเสียได้ในศาสนานี้ผู้ปฏิบัติจบกิจก็มีจุดเดียวตัวนั้นคือละขันท่าถ้ามันละมาต้องวางวางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่กินข้าวจะไม่นอนไม่ใช่างานเราทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ขันท่าต้องการตามหน้าที่แต่ว่าจิตใจงเร า, านี้จะมีความรู้สึกกลัวเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไว้ได้นั่นก็คือความแก่แก่ก็เขามาถึงใจความแก่เป็นสุขหรือเปทุกเราก็รู้ว่าความแก่เป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้มนมาแล้วมันก็ต้องมีความป่วยไข้ามาสบายธรรมดาจะห น, นี้ไม่พน้นอาการป่วยไข้ามาสบายเป็นสุขหเป็นไม่ทุกข์เราก็ทราบแล้วว่าเป็นทุกข์ในที่สุดเราก็ต้องตายคําว่าตายคำว่าเราไม่ถูก ตัวเมื่อร่างกายมันตายแต่เราไม่ตายแต่ก่อนที่ร่างกายมันจะตายมันจะมีทุกขเวทนาบีปันยางสาระไม่สามารถจะทรงตนได้ร่างกายทังคําว่าเราคือจิตหรือหรือว่าทิศมันจะตายที่อาศัยอยู่ในกายมันก็ไม่ไปไม่ไม่ตายด้วยถ้ามันมีอารมณ์ดีอยู่แล้วก็ไปสวรรค์แลือไปรลมหรือปนิพพาน ถ้ามีลมใจถ้าหมองมันก็ไป็นตัวใบกบูมคือไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกเป็นสัตว์ในกายกติริชานดังนั้นขอมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูในได้ขอเรียสัตเมื่อเกิดเป็นคนคนดีเกิดเป็นใจคนดีมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หากว่าท่านเห็นว่าเป็นสุขเราก็ปฏิบัติร่วมกันไม่ได้ตลอดชีวิต การปฏิบัติมาปฏิบัติได้แต่ผลไม่มีก็ท่านโกหกตัวเองเกิดมาแล้วมันจะมีแต่ความทุกข์ความแก่มันทุกข์ความป่วยไข้ไมันสบายมันทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพัดฒรจาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์การเศร้าโศกเสียใจเพราะของบางของที่รักหมดไปมันเป็นทุกข์นี่เป็นอันว่าถ้าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะเกิดมาทําไม รับแต่เรื่นี้เป็นต้นไปเราจะปฏิบัติทุกสิ่งุอย่างตามหน้าที่ของพ่อบานแม่เลี้ยงและคนเคยพันท้าตามโบสิเพื่อเจะทรงมันไว้เพื่อใช้กาลังใจใส่กิเลสให้เป็นสมบทเขียนสังหารตัดสินใจให้วัญญาณที่จะนารู้ว่ากาเกิดที่มันจะคนวกอย่างนี้คนจะมีต่อไปไหมถ้าคนที่มีวิญญาณเขาคิดว่าไม่คนจะมีต่อไป ความจริงขันอ้ามันทุกข์ใจใจเราไม่ควรทุกข์เพราะอะไรขันอ้ามันโสมแสดงการว่ามันทุกข์มันทุกข์แล้วไม่ทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันเราไม่ทุกข์ด้วยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแฝงความแก่มาถึงแฝงความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะร่างกายจำแบบนี้ก็ข อ, ขอบันดาลญาติโยมพระตบริจัตย ตั้งใจสนับคําแนะนําสักครู่หนึ่งใ้การปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้เป็นการปฏิบัติพวกกันสองอย่างด้วยกันคือว่าเป็นการปฏิบัติเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องด้วยพิชชาสามกับอริญญาสําหรับอริญญาในความจริงมีหกแต่ว่าในที่นี้นำมาถึงอย่างเดียวคือมโนมยิทธิ ในด้านวิชาสามก็ดีในด้านสัญญาด้านมโนอิทธิคดีทั้งสองอย่างนี้ใช้กําลังของใจโดยเฉพาะดังนั้นผลที่จะคงได้ต้วงเป็นการได้ท่ายใจไม่ใช่ได้การทางกายสําหรับวิชาสามคือสองในวิชาสามก็ได้นหนึ่นงคิดฐิคุยาร์ยสององปุปนิวาส卡尔คิญาร คำว่าทิฏฐิกุยานอารมณ์รู้ก็รู้จากความดาูอารมณ์ของจิตนั้นหมายความว่าจะต้องใช้จิตแต่รมรู้แทนตาคำว่าทิฏฐิกุยานหมายความว่าความรู้สึกทางใจรู้ได้ล้ายศาสตร์สหรับปุตเกนวาสาอุสุยานเราจะสามารถระลึกชาติได้หรือกับเรื่อใจไม่ได้ ดังนั้นมาบวกกับมนโนยิทิคือว่ามีริษฐานใจถ้งสามอย่างนี้โรคสามารใช้ใจด้วยกันทั้งหมดดันั้นขอบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายให้เข้าใจตามนี้ผลที่จะเกิดได้ก็คือได้ฐานใจแด้แก่อย่างสมมติว่าท่านได้มนโนยุทิสึดไว ท่านจะทราบว่าเวลานี้มีเทวดาอยู่ข้างท่านหรือเปล่ามีพระอยู่ใกล้ท่านหรือเปล่าเวลานี้จิตของท่านเท่าไหร่เสียงสวรรค์ขันธ์ชาตุมหราศฉันดาวดึงชันยามาฉันูาษีฉันลิมาดาลีหรือว่าเทียนถึงพรมหรือว่าถึงปลายก็ตามนี่เป็นเรื่องข้ออารมณ์จิตทั้งหมดให้ทราบตามนี้ จะเป็นความรู้สึกทางจิตท่นี้ความรู้สึกทางจิตจะหากว่าสมาธิของท่านดีสี่งของท่านดีวิปัสสนาญาณของท่านดีความรู้สึกทางจิตก็จะมีอาการสว่างสวัยคล้ายสิ้นในตาจิตแทกว่าสิ่งของท่านยังมัวหมองอยู่สมาธิยังไม่ใหม่ขงวิปัสสนาญาณยังไม่ดีพอความรู้สึกก็จะเป็นเหมือนมึดมึดมัวมัวคล้ายกับความฝัน แต่เป็นความรู้สึกทางสมาธิเรื่องนี้ก็จะขอยกไปก่อนแนะนําพอเข้าใจการจะเริ่มต้นจะเห็นดีก็จะ ต, ต้องระมัดนี้เป็นต้นไปขอบันดาท่านพุทธบริษัทุท่านจักข้อหาความจริงในด้านอริยสัจไว้ก่อนในความจริงที่จะต้องตัดอารมคือขันอาถถ้าท่านยังมีความหวงที่เรียกกัาานว่ากังวล พวางตัวเราก็ดีวางบุคคลที่เนื่องถึงกันก็ดีวางสั์ที่เรารักก็ดีวางทัพย์สิน ก, ก็ดีเท่ามีอยู่ในเวลานี้ผล น, นี้การเจริญสมาธิไม่มีผลสําหรับท่านในเมืม่อเราวางหว่งหวงเส้นแ้วก็ต้องมีเป็นผู้มีสีบริศก็จะเป็นเครื่องเกณฑนใน เ, เกินนะครับแน่นอนคือต้องแตกกังวลให้หมดก่อน แนรายการที่สองมีสินบริสุทธิ์รายการที่สามมีลมสมาธิสองตัวคือการสร้างมันในรายการที่สี่วางขันฆ่ากินได้ในเวลานี้ถ้าทุกท่านทําได้อย่างนี้ทั้งหมดก็เป็นอันว่าวันนี้มีผลสําหรับท่านพิธีตัดห่วงขั้นเบื้องต้น ใ น, นก็คือว่าให้พิจารณาตามคําสอนของพระพุธทธเจ้าคจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้หาของสิ่งอื่นอะไรมาสอนเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดที่แจ้งกล่าวว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะโลภุนความแก่ไปได้ท่านเห็นด้วยไหมว่าคนเราทุกคนจะต้องแก่ มื kar kar ่เกิดข e ึ้นมาแล้วก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะลบพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไมได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะลบพ้นความตายไปได้ความจริงมีห่าวันนี้เขาพูดแต่สามเพื่อความเข้าใจในเมื่อสมมุติว่าคล้ายท่าคิดว่าความแก่ก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดี อาการที่เราจะเข้าถึงความตายคนดีอาการทั้ทงสามอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงมันทุกข์แต่ท่านอาจจะเห็นว่าเป็นสุขก็ได้เป็นเรื่องของท่านถ้าท่านเห็นว่าเป็นสุขก็หมายความว่าวันนี้การหรือการที่มาปฏิบัตินี้ไม่มีผลเพราะว่าอารมณ์เขาตั้นแต่เคยความเบื่อ อีปัศนาญาณนั้นก็เหมือนคนพายเรือตามน้ําตามปกติอารมณ์ของเราเหมือนคนเปลือภายเรือทวนน้ําการพายเรือทวนกันแสน้ํำมันก็ไปถูกพันพายเรือตามกระแสน้ํำมันก็เป็นสุขสน้ําช่วยการล่องเรือสบายอารมณ์ใจของเราปัจจุบันที่เขา ไ, ได้เจ้าหนอดสอน ว่าสิ่งที่มันเป็นทุกเราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเกิดขึ้มนมาแล้วมันแฉะทุกวันมีความแกลเพิ่มขึ้นทุกวันจนทํางเสียการแฉงออกในเมื่อเราจะต้องแก่แต่คนยอมรับว่าแก่ไม่มีเห็คนแฉะก็โกรธเนินจะไม่ลดตั ว, ต, วตัวจะต้องแก่บารายตัวแก่แต่ก็ยังคิดว่าไม่แก่มีอารมณ์จิตมันทวนกระแสะน้ําแบบนี้ เราเกิดมาทุกคนตน้องมีอาการป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าทุกคนก็ไม่อยากจะมีการป่วยไข้นี่เป็เรื่องธรรมดาแต่ว่าเราห้ามมันได้ไหมบางท่านป่วยไข้ไม่สบายก็ไปโทษกรรมโน่นโทษกรรมนี่ได้ความไม่ดีที่สร้างไว้ในชาติก่อนทําไมไม่นึกถึงจะมากดเพื่ออะไรในชาตินี้ในเมื่อสร้างความไม่ดีไว้ในชาติก่อนชาตินี้ก็จะรับผลเป็นของธรรมดา เป็นอันว่ามาความป่วยเกิดขึ้นก็ดีความแก่เกิดขึ้นก็ดีความตายจะมาถึงก็ดีเราถือว่ามันเป็นของธรรมดาถ้ามันมาแบบไหนจะห้ามห้ามได้ไหมเราห้ามมันไม่ได้ห้ามความแก่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามอาการป่วยก็ห้ามไม่ได้ห้ามความตายก็ห้ามไม่ได้ ในเมื่อเราไมา่ห้ามไม่ได้เราจะต้องเป็นทุกข์หนักใจอะไรในเมื่อมันแก่ในเมื่อมันป่วยในเมื่อมัอนมมจะตายก็ต้องมีความเข้าใจว่าร่างกายที่เราเกิดวันนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงเราไม่มมต้องการใหไมัแก่แล้วก็ไม่แก่เราเลี้ยงมันทุกอย่างอาหารการบริโภคยารักษาโรคการก็ะตหัวนมและทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ร่างกายมันทรงตัวแล้วเนื้อแท้จริงมันทรงได้ไหมทรงไม่ได้ไม่แก่ปัจจุันการป่วยใข้ไม่ใช่มายหมอแนะนำทุกอย่างดีไม่ดีหมอหนะ้าไหะตัวเองแล้วก็ตายเอ ง, เองไม่มีหมอที่ไหนจะยังชีวิตของมนุษย์เพศทรงอยู่ได้ตลอดการตลอดสมัยฉะนั้นการารักษาโรคผิวว่าเป็นการระงับพุกพิจนาโชวคราวทานั้น ถ้าเมื่อในเมื่อความตายมันจะมาถึงท่างรกายเป็เราจริงเป็นเพราะเราจริงมันก็ต้องไม่ตายแต่ น, นี้เราห้ามความตายไม่ได้ความตายมันจะเข้ามาถึงใ น, นเมื่อในเหตุแห่งสามเรื่องการนี้มันเป็นของธรรมดานเราควรทําใจยังไงก็ควรทําใจว่าใจเราไม่มีทุกข์ขันห้ามันทุกข์ก็ไปเรื่องของอันห้าแต่เราไม่ทุกข์ด้วย และเมื่อความแก่มาถึงเราก็ทราบว่าความแก่มาแล้วหรือฉันรู้แล้วว่าเธอจะแก่ปคยแก่าำสบายในการป่วยไข้มาลำสบายเข้ามาถึงเราก็รักษาเพื่อเปยการา ร, งรงาะงับป่วยนยาระงับมาไหวได้ไม่ไหวการอับไหวก็ไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวตามใจเธอแค่ความตายเมื่อเข้ามาถึงเราก็ยิ้มให้กับความตายเพราะเราทราบแล้วว่าเราเกิดมาเพื่อตาย ทำใจสมายแล้วคำว่าตายนี่อะไรมันตายร่างกายตายแต่จิตใจมันไม่ได้ตายก็สร้างความรู้สึกสมัยว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นเพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟะสมกันเท่านั้นมันเป็นสภาพเหมือนกับบ้านชาวโชคราวคนเกิดเทลายตายหมดเท่านั้นไม่มีใครเหลือ นี่เรามาั่นน่งเฉลยความดีกันอยู่ที่นี่เรามาทํำกันเพื่ออะไรพระพุทธเจา้าเห็นกายเกิดการตายนี่มนแบกกายของความทุกข์มันไม่มีความสุขตรงตัวไอ้ที่เราคิดว่ามันสุขมันความจริงมันเชื่อของความทุกข์การอยู่คนเดียวไม่พออยากจะแต่งงานนึกมันจะสุขแต่ชาวบ้านเขาแต่งงานมองเห็นความทุกข์อยู่แล้วเราทํสมาธิคิดว่าเป็นความสุข อารมณ์ของมัวยป็นแบบนี้ในเมื่อมันทุกข์จากกายเกิดแบบนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเกิดอีกชาติมันก็ทุกข์แบบนี้เกิดแล้วก็แก่แล้วก็โ่วยแล้วก็ตายเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายหา ก, กินเกือบตายตายแล้วแบบอะไรไปไม่ได้ถ้าเกิดอยู่อย่างนี้วนเวียนแบบนี้มันไม่ควรทุกข์หาความสุกข์ไม่ได้เนัินองค์เป็นพระจอมไตร ยิ่งได้ทรงและนำพิธีหนีความทุกข์หนีความเวียนว่ายตายเคือเทวมตาคือต้องการพรนิพพานดันั้นเวลานี้ขบรรดาบรรดาท่ะนพุทธบริษัททุกท่านทำจิตขอท่านรับพระนิพพานเวลารมเราจะถึงพระนิพพานในแบบไหนจะถึงพระนิพพานได้ข้ร่อนหนึ่งตัดสั้นข้าคือความพอใจในขันท่าสร่างกายของเราเสีย ตัดราคาความอร่าจินดีอยากจะมีร่างกายต่อไปอีกคำว่าตัดความอ่อยใจไม่ได้ตาดอาหารไม่ได้ตัดการบนเตอร์ถือว่ามันจะกินก็ต้องให้กินถ้าว่ามันป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องบประหกมมันจะนอนก็ต้องให้นอนถ้าทีอว่าตัดก่อนเราโง่ตาดนี้เพราะตัดความโง่ที่เรียกว่ายอม โอ้ัต่เฉพาะชาติเดียวคือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติใหม่ต่อไปที่เที่ยวความเกิดอยางนี้จะไม่มีกับเราอีกความเกิดจะไม่มีก็ใช้อะไรที่เราหยเดินไปได้ครบพื้นหนึ่กเควืุญความห่วงายเสียหมดในปัจจุบันตัดเสีหมดเวลานี้เราถือว่าเป็นบุคคลคนเดียว เราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่เราไม่มีญาติทราไม่มีพี่เราไม่มีน้าเราไม่มีสามีเราไม่มีสัญญาเราไม่มีหุดไม่มีที่ใดแต่เพียเวลานี้เวลาเดียววางภาระความห่วงใยทั้งหมดเราเป็นคนไม่มีทรัพย์สินแล้วก็มองดูตัวแั้แต่ตัวนี้มันก็ยังจะตายร่างกายมันจะตายก็เสื่อมตายมันเป็นของธรรมดาวางภาระเสียแต่กัวล ถ้านอนจิตเป็นสมาสองศีลให้บริสุทธิ์ระวังให้ดีนะคนที่มีศีลไม่บริสุทธิ์จะไปไหนไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้มีศีลบริสุทธิ์แล้วาอาจจะสา ม, มารถเห็นอะไรได้บ้างแต่สมาธิไม่ดีก็ไม่เห็นเลยแจะเคื่อนไม่ได้จะเคลื่อนไปได้เพราะอาศัยสมาธิดีแต่สมาธิดีเคลื่อนไปได้แต่มีอาการมืดมัว ถ้ยยย า, าเห็นอะไรแจนมชัดเจนแจ่าใสต้องมีวิปัสนายาณดีคําว่าวปัสนายาณดีก็ได้แต่ตัวไม่ติดอยู่ในขันท่าร่างกายของเราไม่เสียใจไม่ติดกับร่างกายขอยงคน อ, อื่นใจไม่ติดกับสัตว์เลี้ยงใจไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุวัตถุธาตุทั้งหมดที่เป็นสัตวินคิดว่าเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรทั้งหมด แม้จะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่วกเราเรามีแต่สิ่อย่างเดียวรอารมณ์ที่อย่างนี้กิจจะมีอารมณว่าจะิีจะมีอารมณ่านสแต่นี้วิธีปฏิบัติทงใจในสมาธิท่านจะไปได้หรือไม่ได้ถึงความดีของท่านนย้นลุไม่ได้กระโจ ถ้าว่าส่วนขั้นเป็นคนศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีปรนาญาไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ไปไหนไม่ได้อาคาตาู้ตถาคตาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้วิธีปฏิบัติพระราสารองค์จะส่งตัวแมงกพระบรรดาท่านพุทธบริษัทภาวนาว่านักมังสาเวลาภาวนาแล้วก็ให้จัด ทำอย่างนี้ให้ใจเข้าในกุนะมะให้ใจออกไม่ว่ภาพลาดะในขณะนี้ให้ใจเข้าใจออกภาวนาอยู่โงอยายอยากเห็นอยากรู้อยากอะไรทั้งหมดเอาแต่คามต้องการว่าเราต้องการรู้แต่ลมหายใจเข้าใจออกภาวนาสําหรับท่านนี้ได้แล้วก็รวบรวมกําลัางใจของท่านจับจุดไม่สนใจกแต่รมไม่ใจที่ออกไปสนใจ